ครับหลวงตาก็คือแบบคือเวลานํานําคําที่หลวงตาไปปฏิบัติอันมันยังมันยังไม่ลงใจเท่าไหร่อ่ะครับหลวงตาก็คือว่าส่วนใหญ่พอหลวงตาบอกให้ให้เอาไปทําพุทโธพุทโธแล้วดูดูเออเป็นผู้ดูที่มันจิตมันคิดปรุงปุงมันแต่งที่มันพูดอยู่ในใจภาคอยู่ในใจครับมันจะแบบมันเหมือนมันมันมันไม่ลงใจยังไงมันก็แบบ ยังยังยังเผลอไปเป็นผู้เล่นตลอดนะครับไม่ถึงว่าเอาสังขารสังขารไปปรุงเป็นตัวเราแล้วก็แบบไปไปกับสังขาร น, นะครับเป็นเป็นหลงหลงอารมณ์นะครับหลงตาไม่รู้ว่าจะต้อง <c oughs> แก้ยังไงหรือ <c oughs> หรือว่าต้องเพียนมาเพียนมากๆมันไม่ีอะไรเกิดขึ้นมาในใจแล้วก็วางมันไปก็แค่นั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมามันคิดมันนึกมันตึกมันตอง มันปรงแต่งกระเพื่อมไหวตัวอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกขิยอาการกุศลก็เป็นอาการอกุศลก็เป็นอาการที่เรารู้สึกว่ามันเปนคิดดีมันก็เป็นอาการที่เรารู้สึกคิดชั่วมันก็เป็นอาการถ้าเราไม่หลงไปกับอาการเหล่านั้นเนี่ยไม่มีดีไม่มีชั่วดีชั่วคือเราหลงไปกับอาการเหล่านั้นอาการต่างๆเขาก็คงเป็นแต่อาการเนี่ย แต่เราไปให้ค่าเขาว่าเขาดีเขาชั่วเขาเป็นกุศลนะกุศลแต่อาการเหล่านั้นนะเขาไม่รู้ตัวเขาเล่าว่าเขาเป็นกุศลหรือเขาสนเป็นดีหรือชั่วเขาเป็นแต่เป็นกิริยาการที่ขึ้นมาในใจเราทุกขณะปัจจุบันแต่เราไปให้ค่าเขาเองว่าอาการเหล่านี้ดีอาการเหล่านี้ชั่วความคิดเหล่านี้ดีความคิดเหล่านี้ชั่วอารมณ์เหล่านี้ดีอารมณ์เหล่านี้ชั่ว อย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอกุศลอย่างนี้เป็นอัเป็นกุศลอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอกุศลอาการเหล่านั้น่ะก็ไม่ได้ให้ชื่อเขาเองหรอกเขาไม่รู้ว่าตัวเขาไปมีกิริยาอาการเป็นอย่างไรแล้วเขาไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาจะทําให้ใครพอใจไม่พอใจหากเราเนี่ยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมไม่มีเอาตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับอาการเหล่านั้น มันคิดก็ไม่หลงไปกับความคิดมันมีอารมณ์ก็ไม่หลงไปกับอารมณ์และไม่พยายามไปดับเขาไม่พยายามไปไล่ดับเขาไม่พยายามไปไล่ดับความคิดไม่พยายามไปไล่ดับอารมณ์มันรู้แล้วก็วางไปเขาคิดขึ้นมาแล้วก็มีอารมณ์แล้วรู้แล้วก็วางไปรู้แล้วก็วางไปเพราะว่าเขาไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนกกุศลหรอกแต่ถ้าเราเนี่ยติดไปกับเขาสิ เราหลงติดไปกับเขาอันนี้คือเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นชังเป็นกุศลแลกุศลจริงๆอัเนี้ยเพราะนั้นอาการลำพังแต่อาการเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีอะไรเลยเขาก็เป็นแต่อาการขึ้นมาแต่เราเป็นคนไปให้ค่าเขาเองแต่เราไม่ให้ค่าเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยเขาคงเป็นมีอาการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกับว่า ยังไงอ่ะมันก็บว่าอันนี้อ่าอย่า ง, งนี้เรียกว่าอะไรแก้วแก้วน้ําแล้วแก้วน้ําเนี่ยเขารู้ไหมว่าคือแก้วน้ําตัวเขารู้ไหมเขาคือแก้วน้ําไม่ครับแล้วใครมันคนรู้เขาคือแก้วน้ําเราเออเรารู้เขาแก้วน้ําเราก็เลยดื่มได้เราก็ใช้ได้สบายแต่พอเออบริทวั น, นี้ไม่มีกระถนุน แต่นี่มีกระโถนมาแม้แต่กระโถนนั่นแหะเป็นกระโถนใหม่มาก็จริงอ่ะแต่เป็นกระโถนเนี่ยกระโถนใหม่เลยไม่ได้ใช้เลยออกจากโรงงาน่ะแล้วกระโถนเนี่ยอันนี้แก้วน้ําเราเลยขนาดเป็นของที่คนนั้นดื่มแล้วคนนี้ดื่มแล้วก็ล้างมาเราสามารถดื่มได้แต่กระโถนนั่่ะพอเรารู้มเป็นกระโถนน่ยดื่มนะเอามาตักน้ําดื่มได้ไหมเราดื่มได้ไหมไม่ได้แต่ถ้านี้กระโถนกับแก้วน้ําเนี่ยมันไม่รู้ตัวมาเลยว่ามัน เขาลังเกียจมันแล้วมันไม่รู้ตัวมันด้วยว่ามันชื่อว่ากระโถนหรือชื่อว่าแก้วน้ําใครเป็นคนให้ค่ามันล่ะเราเราเป็นคนให้ค่ามันเราเป็นคนให้ค่ามันเนี่ยเราเลยยึดติดยึดถือถ้าเราเนี่ยเห็นว่าเป็นกระโถนก็กระโถนแต่เราก็ไม่เข้าไปให้ค่าให้ความสาคัญกับมันแก้วน้ําก็แก้วน้ําก็เห็นว่ามันก็ของแก้วน้ําแก้วน้ํามันรู้ตัวยังไม่ได้หรอกกระโถนมันก็รู้ตัวัไม่ได้แต่เราไม่เข้าไปยึดถือกับมันน่ะ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันคงตั้งอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไปรังเกียจมันอ่ะปัญหามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่กระโทนปัญหาไม่อยู่ที่ใจเราที่เราไปรังเกียจมันแต่ถ้าเป็นแก้วน้ําที่สวยแก้วน้ําที่สวยอย่างอันเนี้ยแก้วน้ํามันไม่รว่วเป็นแก้วน้าหลักแล้วมันไม่รั่วสวยด้วยแต่เราเกิดอยากได้มันเนี่ยเราว่ามันสวยเราอยากได้ตอนเนี้ยปัญหามันอยู่ที่แก้วหรืออยู่ที่ใครล่ะที่เราเอออยู่ที่ใจเรากระโทนเหมือนกันน่้ถ้ามันคงตั้งอยู่อย่างนั้นแหะ มันไม่รู้ตัวมาเลยมันชื่อกะโถนตัวมันเป็นปัญหาไหมเออถ้าเราไปให้ค่ามันว่ากะโถนนี่มันน่าเกลียดตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ใครก็อยู่ที่ใจเราอาการทุกชนิดแต่มันก็เหมือนกับกะโถนกะแก้วเนี่ยแหละลำพังแต่อาการเนี่ยมันไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีอกุศลกุศลอะไรหรอกมันก็เป็นอาการแวบขึ้นมาในใจแล้วก็ดับไปแวบขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่เราพอให้ค่ามันน่ะเราก็ติดไปกับมันจริง พอเราว่ามันดีเราก็ติดมันไปกันดีพอไม่ดีเราก็ไปดิลนผักใส่พอเราบอกว่านี้เป็นความสุขเราก็ชอบวันนี้เราบอกว่านี้เป็นความทุกข์เราก็ชอบแต่จริงๆอะมันก็เปลี่ยนแต่อาการมันไม่รู้ตัวมันสุขกับทุกข์มันไม่รู้ว่าดีมันชั่วหรือกุศลนกุศลพอเราไปบอกว่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีเราเลยชอบมันแต่เนี้ยเราปัญหาอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อาการพอเราบอกว่าอาการนี้ไม่ดีปัญหาไม่อยู่ที่อาการแต่มันอยู่ที่ใจเราเราไปรังเกียดมันเราไปดิลนผักใส่มันปัญหาความทุกข ทั้งมวนมันอยู่ที่ดีรักชั่วชางเกียรตทุกรักสุขเกียรตทุกรักสุดีรักชั่วชางเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ที่ปัญหามันอยู่ที่ใจเรามันไม่เที่ยงธรรมแต่มันตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นมันก็ไม่มีทุกอะไรเลยสิ่งใดที่เราถูกใจปัญหามันอยู่ที่ว่าสิ่งใดจะถูกใจพอใจเราก็อดูดมันเข้าอยากดูดมันเข้ามาหาตัวเราสิ่งไรไม่พอใจเราก็พยายามดิ้นหล่นผลักใสมันปัญหามันอยู่ตรงนี้นะถ้าปัญหาเราไม่ดูดไม่ผลัก ปัญหาดีใจจะไม่เกิดขึ้นเลทุกอย่างในโลกนี้ถ้าไม่เราไม่เข้าไปดูดไม่เข้าไปผักไม่เข้าไปรักไม่เข้าไปชังไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรต่อใจเขามีปัญหาไปส e ิ่งนั้นก็มีปัญหาไปแต่ใจไม่มีปัญหาถ้าอย่างนี้ทุกอาการมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล ہ, ้วก็ปล่อยมันดับไปเกิดขึ้นแล้วมันดับไปถ้าท่านจะเอาอะไรที่ท่านพยายามถามพยายามจะปฏิบัติอย่างนี้จะปฏิบัติให้อย่างนั้น จปฏิบัติอย่างงปฏิบัติอย่างนี้จะทำอย่างงวนท่านอย่างงี้ที่ท่านพยายามถามเนี่ยหลวงตาถามท่านหน่อยว่าท่านที่ท่านถามท่านพยายามปฏิบัติท่านจะเอาอะไรท่านอยากได้อะไรท่านจะเอาอะไรเอ้าท่านต้งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีอาการอย่างง่ันมีอาการงี้ผมไล่มันไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันทํามั้ไม่ทันมันมันก็เดี๋ยวอย่างเงี้ยผมพยายามไล่มันใทันท่านทำแบบเนี้ยท่านจะเอาอะไรกอถามหน่อยเหมือนตอนแรกก็คือแบบอยากอยากทําให้มันถูกต้องถูกวิธีอะไรอย่างเงี้นี่ไง ปัญหามันอยู่ที่ท่านจะเอาให้มันถูกต้องปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อาการเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ท่านจะเอาให้มันถูกต้องนี่แหละปัญหาอยู่ตรงเนี้ยมันเลยเกิดเป็นกิเลสและความทุกข์ท่านต้องว า, างความถูกต้องลงถูกต้องก็คือถูกใจท่านไม่ถูกต้องคือไม่ถูกใจท่านนั่น ม, <pin> มันคือยึดถือไม่ได้ปล่อยวาง ท่านบอกจะปล่อยวางแต่ท่านไม่ได้ปล่อยวางท่านปฏิบัติยึดถือเข้าใจหรือไม่เข้าใจอ่ะเขา้เขาใจเข้าใจอยู่ครับเดี๋ยวถามใหม่ก็ได้อีกรอบก็ได้อ่าให้ผู้อื่นบอกอก็ได้าสงสัยยังไม่เคลียร์เดี๋ยวถามใหม่ให้โอกาสถามใหม่อ่ายกมือเลยถามอ่าส่งส่งใหมให่เดี๋ยวจะดึกอนะ่ะถามนะกลับนรามาสักการหลวงตาค่ะบอกชื่อเลยนะชื่อมดค่ะ ก็สองวันนี้ได้มาฟังหลวงตามเมื่อวันสองวันก่อนนะคะแล้วก็ได้ลองฝึกปฏิบัติคือที่ผ่านมาเคยฝึกแค่การเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวกายแล้วแล้วเห็นจิตผู้รู้ค่ะแต่ไม่เคยวางจิตผู้รู้เลยเพื่งได้ศึกษาว่าจิตผู้รู้ที่แท้ก็เป็นวิญญาณขันอันหนึ่งก็เลยลองที่จะวางมากขึ้นค่ะคือแต่ไม่แน่ใจว่าที่ทําอยู่เนี่ยเป็นการสร้างสภาวะความวางขึ้นมาใหม่หรือว่าได้วางแล้วจริงๆเราก็รู้สึกว่าแค่มีจิตผู้รู้แล้ววาง ความคิดปรุงแต่งก็เบาลงมากแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในความเบาอันนี้แล้วได้ได้ลองวางติดพุลูอันนี้มันก็เบาขึ้นไปอีกอะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้คือถูกต้องหรือยังอะค่ะอืมไอ้ที่ไปพึงพอใจชอบใจความเบา น, ะนั้นเนะ่ะก็ให้วางความพึงพอใจความเบาเขาเบาเ ข, ขาคงเบาขึ้นไปเรื่อยๆนะอเนี่ยพอยิ่งวางมันก็ยิ่งเบายิ่งว่างแต่อย่าไปมีเพิ่มเข้ามาคือความพอใจความเบาความว่างอันนั้นเป็นกิเลสแต่ความเบาความว่างไม่ได้เป็นกิเลส ยิ่งปล่อยวางมันก็ยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งเบายิ่งว่างแต่เราเนี่ยแอบพึงพอใจความเบาความว่างไว้แล้วก็สิ่งอันไหนที่เราไม่พอใจเราวางแต่เราไม่ยอมวางอยู่สิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคือความเบาความว่างเราไม่วางเราบอกว่าปล่อยวางความรู้เราไม่ได้เราไม่ได้ปล่อยวางความรู้หรอกอย่างอื่นเราวางหมดแต่ความรู้ว่างและความว่างเราไม่วางความเบาและความรู้ความเบาเราไม่วางอย่างอื่นวางหมดวาง ความที่ใจชอบพึงพอใจติดใจเยินดีความเบาความว่างและคาดหมายว่าวางแล้วมันจะว่างมันจะเบายิ่งกว่านี้วางเสนอนี้เลยวางให้หมดแ ต, แต่แค่รู้แล้วก็วางไปรู้แล้ววางไปในการวิธีการที่จะวางให้ถูกต้องค่ะแค่วางอย่างเดียวหรือว่าต้องเป็นการฝึกสติที่แข็งแรงมากขึ้นอีกะค่ะไม่มีถูกต้องมีแต่วางอย่างเดียวเดี๋ยวจะหาความถูกต้องมาอย่างเดียวเมื่อกี้เนะี่ยค่ะไม่มีความถูกต้องถ้าถูกต้องคือถูกใจไม่วาง มีแต่ทุกขณะมันเป็นยังไงก็รู้แล้วเราอรู้แล้วก็วางไปจากใจไม่เข้าไปคําว่าวางคือไม่แค่ไปจับแล้วก็วางจับแล้ววางนะคําว่าวางคือไม่เข้าไปสนใจยึดถือให้ค่ายความสําคัญว่าอะไรมีค่าต่อใจตอนนี้ของเราเนี่ยเข้าไปยึดถือว่าความว่างมันมีค่าต่อใจความเบามีค่าต่อใจวางคือวางความยึดถือให้ค่าให้ค่าให้ความสําคัญความเบาความว่างที่ให้ให้ค่าว่ามันมีค่าต่อใจ วางมันลงวางกันให้ค่าความต้องัารมันลงแต่มันก็คงเบาวความว่างเนี่แต่เราเห็นว่าความเบาวความว่างมันก็เป็นสังขารเป็นอาการมันก็เป็นของไม่เที่ยงเราไปยึดสิ่งไม่เที่ยงมันก็จะเป็นทุกข์ขอบพระคุณค่ะ